หรืออย่างแม่กับลูกแม่กับลูกเนี่ยลูกดือ้อลูกคนหนึ่งนะดื้อมากเลยแม่ห้ามอะไรก็ไม่ฟังลูกคนหนึ่งมีมีเรื่องในพระไตรปิฎกนะใ น, ในในอธัธกถาบอกว่าลูกคนนั้นเนี่ยอยากไปเที่ยวป่าจะไปเที่ยวป่าแม่ห้ามไม่ให้ไปเพราะเกรงว่าจะมีอันตรายลูกก็ดือ้อจะไปแม่ก็ ด่าไล่หลังเลยถ้าเป็นชาวบ้านก็เรียกว่าด่าไล่หลังพูดไปว่าขอให้ควายป่าจงขิดแกให้ตายมันอยากอยากไม่เชื่อเราเลยพูดด่าลูกไปลูกไปในป่าเจอจริงวาจาแม่นะวาจาสิทธ์นะอย่าไปอย่าไปดื้อกับแม่นะถ้าแม่ดานะ่ามีสิทธ์สวยได้ลูกนี่ไปในป่านะเจอควายป่ายืนขวางทางเลย ลูกตกใจโอ้โหไม่รู้แม่มีอนาคาตังสยามหรือเปล่าแต่ว่าเจอแล้วเนี่ยนึกถึงคำแม่เลยเพอนึกถึงคำแม่ขึ้นมาก็อธิษฐานจิตขึ้นมาว่าขอตั้งสัตว์จะอธิษฐานนี่เป็นวิธีการให้พ้นภัยกันนะคำแม่เป็นอย่างไรก็ช่างแต่ใจแม่เป็นอย่างไรขอให้ควายนั้นเป็นอย่างนั้น ควายนี้มาด้วยสัจวาจาด้วยคําของแม่ด้วยวาจานั้นมาปรากฏแล้วแต่ขอให้ควายนี้เป็นไปตามใจของแม่ <c ười> คิดว่าใจแม่อยากให้ลูกตายไหมไม่อยากไอ้ควายนั้นตะลึงควายไม่โง่นะ <c ười> ควายควายได้ยินคนตั้งสัจวาจาแปลก ควายนี้จงมาตามคําแม่ก็มาเถิดแต่จงเป็นไปตามใจของแม่ด้วยสัจวาจานี้ขอให้เป็นตามใจของแม่ควายตะลึงเดินกลับหันหางหันหางให้เดินมุ่งหน้ากลับเข้าป่าไปเลยแอนนั่นเห็นอย่างนั้นแล้วไม่ไปต่อเลยคุณของแม่เนี่ยมีขนาดนี้เลยว่าตามรักษาเราจนถึงในป่าเจอควายแล้วตั้งสัจวาจาของให้เป็นไปตามใจแม่ ยังรักษาเราได้จนถึงมีรีโมทด้วยนะมาทางไกลเลยนะเทเลเทเ ล, ทเลมาทางไกลเลยกลับมาคําของแม่อย่างนั้นคําของแม่อย่างนั้นนะเรียกว่าหลุดปากออกไปแต่ใจใจเนี่ยไม่ได้คิดร้ายเจตนาไม่ได้ฆ่าไม่ได้อยากให้เขาต้องตายไปอยู่ที่เจตนาทั้งหมดเลยเรื่องศีลนะตั้งแต่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกาเมย์แม้แต่พูดผิด ทั้งทั้งหลายแหละอยู่ที่เจตนาเจตนาจะพูดให้ผิดจากความจริงเจตนาจะให้เขาแตกกันเจตนาจะให้เขาเจ็บใจหรือเจตนาที่จะให้เขาเสียเวลา <c oughs> ไร้สาระเป็นคำพูดข้อที่สีพูดไร้สาระพูดเพ้อเจ้อวจีสุจิตมีสี่อย่างนะพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อสี่อย่าง 4อย่างนี้รักษายากยากนะในบรรดาศีล5ข้อเนศีลข้อสีกับเกี่ยวกับคำพูดเนี่ยรักษายากส่วนอาชีวะอาชีวะเนี่ยก็เลี้ยงชีพให้ชอบถ้าเป็นพระก็คือว่าไม่ไม่ประจบโยมไม่หากินในทางดูหมอหรือไสยศาสตร์อะไรประเภทนี้ เลี้ยงชีพก็คือบินทบาดไปใครใส่ก็ใส่ใครไม่ใส่ยืนรอหน่อย <laughs> ไม่พูดอะไรไม่พูดเอาใจโยมเพื่อให้โยมถวายของคุณโยมหรือพูดเพาะๆอะไร <laughs> ประหล่ะเอาใจหรือว่าประจบประจบทำทำงานให้หวังให้โยมรักหรือว่าเมตตา เลี้ยงชีพไม่ชอบพวกนี้เลี้ยงชีพไม่ชอบถ้าเป็นชาวบ้านก็คือหากินในทางทุจริตขอรับชั่นต่างๆในบรรดาทั้งหถ้าเป็นศีลห้าหรือเป็นศีลแปรวมทั้งอาชีวะเนี่ยเรื่องของการพูดเนี่อรักษายากนั้นเวลาท่านให้ระวังส่วนใหญ่ท่านจะเน้นในเรื่องของคําพูดมี ลูกพระเจ้าพิมพิสารจะเรียกราชาศัพท์ว่าราชาโอรสพระราชาโอรสของพระเจ้าพิมพิสารองค์หนึ่งนามว่าอาภัยไม่ได้มีองค์เดียวไม่ไดไ้ไม่ใช่มีโอรสองค์เดียวอภัยอภัยราชกุมารเป็นลูกศิษย์ของนิครนเป็นลูกศิษย์ของนิครนวันหนึ่งไปหานิครนนิครนก็บอกว่า เจ้าชายวันวันนี้จะมอบหมายงานสำคัญให้เจ้าชายข้อหนึ่งเจ้าชายไปหาสมณะโคดมนะไปถามสมณะโคดมว่าท่านมีปกติกล่าวคำเป็นที่พอใจของคนฟังหรือว่ามีปกติกล่าวคำที่ไม่พอไม่น่าพอใจของคนฟัง ทำไมต้องไปถามอย่างนี้อภัยราชกุมารงงว่าทําไมให้ไปถามอย่างนี้นี่แหละเป็นโอกาสของเจ้าชายนะถ้าเจ้าชายไปถามคําถามอย่างนี้แล้วเนี่ยเกียรติศัพท์ของเจ้าชายจะเลื่องลือระบือไกลทําไมอะ่ะงงทําไมเพราะสมณะโคดมจะอึกอักตอบไม่ถูกจะตอบอย่างนี้ก็มีแง่ผิดอยาตอบอย่างนี้ก็มีแง่ผิดนเช่นจะตอบว่า เรามีปกติพูดให้คนทั้งหลายพอใจท่านก็แย้งไปเลยโตไปเลยว่าแล้วมันต่างอะไรกับคนชาวบ้านทั่วไปถ้าท่านสมณะโคโดมตอบว่าเราก็มีปกติพูดให้คนไม่พอใจบ้างพูดให้อขออเราก็มีปกติพูดให้คนไม่พอใจบ้างถ้าอย่างนั้นมันจะมีความแตกต่างจากคนชาวบ้านทั่วไปยังไง หรือว่าถ้าท่านตอบมาว่าเรามีปกติพูดให้คนพอใจประเภทเดียวให้คนฟังแล้วพอใจท่านก็แย้งไปเลยว่าก็ไหนท่านเคยพยากรณเทวทัศน์ว่าจะต้องตกเอเวจีจะต้องตายในกี่วันกี่วันจะต้องตกเอเวจีเคยพยากรณ์สุ ป, ปพุทธะว่าจะต้องถูกตระีสูบอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ฟังเขาก็ไม่พอใจแย้งไปเลย ท่านพูดผิดสมรักโคดมจะถูกท่านโต้แย้งอย่างนี้แล้วเขาจะแพ้คำคำถามนี้นะนิครนเนี่ยคิดเป็นเวลาสี่เดือนนิครนเนี่ยเป็นช่างช่างสรรหาคำถาม <c ười> คือแค้นมากว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนำเอาสาบกลูกศิษย์ของท่านเนี่ย เอาไปเป็นลูกศิษย์ของของของผู้พระเจ้าหมดเลยคือลูกศิษย์ของนิครนที่เป็นชีเปลยเนี่ยนะมาบวชหรือไม่ก็มานับถือพุทธศาสนาหรือแม้แต่อุปถากเป็นญาติโยมอย่างเงี้ยนะที่เป็นอุปถากสาคัญสคัญมีตังค์มากๆ ก, ก็กลับกลายเป็นนับถือพระพุทธศาสนานิครนเนี่ยแค้นมากคิดอยู่นานว่าจะทำยังไงที่จะแบบว่า หาวิธีที่จะชนะพระพุทธเจ้าให้ได้คิดจะใช้วิธีโตวาทีถามคำถามไปแล้วก็เอาชนะได้คำตอบที่แบบว่าเอาคำถามที่มันมีแง่มุมที่ตอบอยังไงก็ผิดตอบอยังไงก็ผิดอย่างเงี้ยนะคิดอย่างเงี้ยอยู่สี่เดือนได้คำถามนี้ขึ้นมาอภัยกุมารก็โอเคได้คำถามอย่างนี้ ถามไม่ยากนะเรียนคำถามจากอาจารย์แล้วนี่เป็นการเรียนคำถามนะเป็นการเรียนวิชานะเป็นการเรียนวิชาจากนิครนเรียนเสร็จแล้วก็โอเคเดี๋ยวจะจะมาหาโอกาสถามสมณะโคดมออกจากวัดของนิครนมาเข้ามาวัดของพระพุทธเจ้าเข้ามาแล้วก็ดูแล้วก็แหมมันบ่ายซะละไม่มีเวลา เพราะอาจารย์ใช้เวลาคิดตั้งสี่เดือนการคุยเนี่ยมันคงใช้เวลานานคงใช้เวลานานเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ย ว, เ, ยวเราไปเตรียมตัวก่อนไปเตรียมตัวก่อนแต่ก่อนจะทํำยังไงดีจะมาคุยในวัดหรือจะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปที่บ้านดีไปคุยในถิ่นเราดีกว่านไปคุยในวัดเนี่ยแบบมีตัวแปรเยอะอยู่ในบ้านเราเนี่ยคุมตัวแปรได้อางนี้นะก็คิด เราจะนิมนต์พระไปดีกว่าพระพุทธเจ้าจะนิมนต์ไปกี่องค์ดีคิดนะตึกตึกต๊ก ต, กตกอยู่ในในใจถ้านิมนต์ไปเยอะเนี่ยเรื่องมาก <c oughs> นิมนต์ไปเยอะเนี่ยเรื่องมากตัวเองก็ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ศรัทธาไม่อยากนิมนต์เยอะแต่ถ้านิมนต์ไปองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็ดูเหมือนว่าเดี๋ยวเจ้าบ้านจะหาว่าเราขี้เหนียวก็เลยนิมนต์ไปสี่องค์คือพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระภิกษุอีก สามรูปรวเป็นสี่เขาไม่ถือแบบคนไทยนะคนไทยนิมนต์สี่องค์นึกว่าจะไปงานศพใช่ไหมเขาไม่ไม่ถือนิมนต์ไปพระพุทธเจ้าท่านก็นิ่งนิ่งของพระพุทธเจ้าคือรับนะรับว่าจะไปพรุ่งนี้เขาจัดแจงเตียมที่นั่งไม่ยากสี่ที่เองอาหารก็เพิ่มนิดหน่อยเป็นเจ้าชายอยู่แล้วอาหารเยอะพระพุทธเจ้ามาถึง เจ้าชายก็พาเด็กมาด้วยคนหนึ่งเด็กนั้นไม่ใช่ลูกด้วยนะเด็กเนี่ยเตรียมมาเพื่อเป็นมุกป้องกันตัวเผื่อโต้ตอบกันแล้วแพ้จะหยิกเด็กให้ร้องไห้แล้วอ้างว่าโอ้เด็กร้องไห้เดี๋ยวจะไปหาเรื่องหยุดการคุยตรงนั้นเลย๋ยมจะเอาไปใช้ก็ได้นะอุ้มเด็กเอาไว้ ทำเป็นทำเป็นเอนดูเด็กลูกเราก็ไม่ใช่เราแต่ว่าไงเอนดูเด็กเอามาเลี้ยงพระด้วยคุยไปคุยมาถ้าชนะก็ดีไปถ้าแพ้ก็จะหยิกเด็กให้ร้องไห้ mm hmm. นี่เป็นเรียกว่าเผื่อทางหนีทีไร่โต้ตอบกันในบ้านตัวเองด้วยนะเป็นถิ่นตัวเองด้วยนะแล้วก็เตรียมแผนรอง แ, แผนสองรองรับเอาไว้ว่าถ้าแพ้กูจะออกวิธีนี้แหละเลี mm hmm. เ้ยงข้าวเสร็จก็เริ่มฉากเปิดฉากเลย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่พูดแบบอะไรอะมารยาทไม่ได้คิดว่าท่านเจริญเท่าไหร่หรอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอโอกาสสอบถามปัญหาหน่อยได้ว่ามาพระองค์มีปกติกล่าววาจาให้ผู้ฟังได้รับความยินดีหรือไม่ได้รับความยินดีคือยินร้ายพระเจ้าตอบว่า คำถามนี้ตอบโดยส่วนเดียวไม่ได้ต้องแยกตอบอภัยกุมารตีตีเขาเลยโอ้นิคนฉิบหายแล้ว <c oughs> คือรู้เลยแพ้แล้วแพ้ด้วยคำตอบข้อเดียวยังไม่ได้ตอบเลยนะยังไม่ได้ตอบแจกแจงอะไรมากเลยนะแค่บอกว่าคำถามเนี่ยตอบโดยส่วนเดียวไม่ได้มีสั์เฉพาะว่าวิพัฒน์เจ้าวิถี ต้องแยกตอบไม่จะตอบโดยส่วนเดียวฉิบหายแล้วรู้เลยว่าแพ้เลยแล้วแพ้แบบยอมรับเลยว่าแพ้จริงๆไม่หยิกเด็กด้วยรู้เลยว่าแบบลืมาอาจจะลืมก็ได้นะจดลืมว่าแพ้แล้วฉิบหายแล้วนี่คนฉิบหายแล้วพระรูจาก็ได้ฟังงั้นบอกทําไมอุทานอย่างนั้นล่ะแต่ท่านรู้นะแต่คล้ายๆก็ว่าให้เขาพูดเอง บอกเนี่ยคำถามเนี่ยนิครณนะนิครณนาตาบุตรเนี่ยคิดมาตั้งสี่เดือนก็เล่าให้ฟังเลยนะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนิครณบอกมาเนี่ให้ให้ถามอย่างงี้นะแล้วสมณะโคดมจะตอบไม่ได้ตอบนี้ก็ผิดตอบนี้ก็ผิดนะแต่พอพระองค์ตอบมาเนี่ยนะทําให้คําถามของนิครณเนี่ยพังทลายไปหมดเลยเรียกว่าแพ้น็อกในหมัดเดียวยิ่งกว่าบัวขาวอีกนะ บัวขาวเตะตั้งหลายทีกว่าจะนอกเนี่ยนี่นอกหมัดเดียวใครใครดูมั้งหรือเปล่าดูแต่นังซือพิมพ์พระเจ้าเขก็บอกว่าเหมือนกับเหมือนกับเด็กที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยที่อยู่บนตักท่านเนี่ยพระพุทธเจ้า ก, ก็รู้นะไอเด็กเนี่ยเอามาเป็นเพียงเครื่องมือเป็นอะไรเป็นทางออกเผื่อแผนสองตันั้นเอง พุทเจ้าก็เอาแผนสองของเจ้าชายเนี่ยมาใช้ประโยชน์ด้วยบอกว่าถ้าเด็กนี้เนี่ยเผลอเกลืนเหรียญเข้าไปในคอพระองค์จะทํำยังไงบอกวก็ต้องล้วงออกต้องล้วงออกจับล้วงแบบแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องเอาขาขึ้นห้อยหัวทํายังไงก็ได้ให้ออกมาถ้ามันไม่ออกถึงแม้จะต้องล้วงถึงขนาดที่ว่ามันจะต้องมีเลือดออกมาบ้างก็ต้องเอา พระองค์ก็ถามว่าทำไมล่ะทำไมถึงขนาดว่ามีเลือดออกก็ยั ง, ยงต้องยอมบอกว่าเพราะเราเอนดูในเด็กถ้าปล่อยให้เหรียญค้างคอเด็กจะตายการล้วงเอาเหรียญออกมาแม้จะมีเลือดติดมาบ้างเด็กนั้นก็ไม่ตายนี่วิธีการทำให้เด็กมีชีวิตรอดต่อไปแม้จะต้องมีเลือดออกมาบ้างแต่ปลอดภัยแล้วมารักษาแผลกันต่อ โลจาก็บอกก็อย่างนั้นแหละคำพูดบางอย่างก็อาจจะต้องให้เขาไม่ไม่สบายใจบ้างไม่ชอบใจบ้างคำพูดที่เราจะกล่าวเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่สามอย่างสาอย่างในการพูดนะเป็นหลักของการพูดหรือหลักการตรัสสามอย่างองค์ประกอบสามอย่างแต่วิธีแจกแจงออกมาได้หลายอย่าง ถ้าสิ่งนั้นไม่จริงไม่แท้และสิ่งนั้นพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์แล้วสิ่งนั้นพูดไปแล้วคนฟังไม่ชอบใจสามอย่างไม่จริงไม่มีประโยชน์ฟังแล้วไม่ชอบใจพระองค์ไม่ตัดนี่นะข้อสองไม่จริงไม่มีประโยชน์แต่คนฟังชอบใจตัดห ไม่ตรัสจริงไม่มีประโยชน์คนฟังชอบใจก็ไม่ตรัสจริงมีประโยชน์แม้คนฟังจะไม่ไม่ชอบใจพระองค์จะรู้เวลาแล้วตรัสต้องรู้เวลาด้วยนะไม่ใช่พูดไม่เลือกเวลานะ ต้องรู้เวลาว่าตรงนั้นเหมาะแล้วจึงตรัสจริงนะมีประโยชน์ฟังแล้วชอบใจก็เลือกเวลาตรัสรู้เวลาแล้วจึงตรัสฉะนั้นเรื่องจริงไม่ใช่พูดได้ทุกเรื่องและทุกเวลาต้องเป็นเรื่องจริงและมีประโยชน์ด้วยต้องมีองค์ประกอบข้อสองนะ เรื่องจริงอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เราจะพูดได้ทุกเรื่องเช่นเจอหน้าคนข้างๆบอกแก่แล้วนะอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมคนฟังชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ไม่รู้นะแก่แล้วนะไม่มีประโยชน์ยังไม่ต้องพูดหรือจริงแต่ไม่มีประโยชน์ไม่ไม่ใช่เวลาที่ต้องพูดันนะก็ไม่ควรไม่ควรพูดเรื่องไม่จริงยิ่งไม่ต้องพูดเลย เรื่องไม่จริงมันไม่มีประโยชน์ไม่ต้องพูดเลยเรื่องจริงแล้วไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดเหมือนกันไม่คำนึงถึงว่าคนฟังจะชอบใจหรือไม่ชอบใจคนฟังจะชอบใจหรือไม่ชอบใจขอให้จริงและมีประโยชน์แล้วไม่จะพูดได้ทุกเวลาเลือกเวลาพูดเลือกเวลาพูดนี่นนะตรงนี้เรียกว่าเป็นศิลปะเป็นศิลปะอภัยกุมารบอกว่าโอ้โอ คำคำตอบของพระ อ, องค์เนี่ยเตรียมมาหรือเปล่า <c oughs> คิดมานานไหมเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ตัวเองเนี่ยสี่เดือน <c oughs> อยังไสี่เดือนพระเจ้าบอกว่าไม่ไม่ตอบทันทีนะพระเจ้าก็ยกเอาเอาเจ้าชายเป็นตัวอย่างเลยรู้ว่าเจ้าชายเนี่ยชอบรถอาจจะเป็นรถรถหรู ด, ด้วยนะว่าระดับเจ้าชายนะรถหรู แต่ไม่ต้องขึ้นเขาใหญ่เพราะเขาอยู่ชมพูทวีปอยู่อินเดีย<笑><笑>รถรู้ชอบพระองค์มีความชํานาญในรถใช่ไหมใช่ถ้าจะถามส่วนประกอบของรถในอะไรเนี่ยก็เรียกว่ารถจดประกอบใช่ไหมรถเนี่ยองค์ประกอบอยังไงเนี่ยรู้ใช่ไหมตรงไหนเป็นเกียร์ตรงไหนเป็นเพลาตรงไหนเป็นพว ง, นนนพงมาลัยรู้ใช่ไหมรู้ถ้าถามเนี่ยตอบได้เลยไหม ตอบได้เพราะอะไรฉันจำนานอยู่แล้วเหมือนกันไม่ต้องเตรียมคาตอบเขาเรียกว่าเราตถาคตแจ่มแจ้งในธรรมาธาตุแล้วในธรรมะทั้งหลายเนี่ยเราตถาคตแจ่มแจ้งแล้วไม่ว่ามีคำถามอะไรมามันแจ่มแจ้งอยู่ในใจอยู่แล้วตอบมาดันทีคำตอบที่มาแจกแจงมาเยอะๆเนี่ยไม่ได้เตรียมก่อน คำถามถามมาคำตอบผุดขึ้นมาเลยไม่เตรียมนะไม่ต้องเตรียมว่าถ้าเขาถามอย่างนี้แล้วจะตอบอย่างนี้ไม่เตรียมเลยเหมือนอย่างเวลาครูบาอาจารย์เทศเทศออกจากใจอะเทศออกจากใจไม่ต้องเตรียมเวลาโยมส่งกันบ้านท่านตอบให้เลยตอบมาจากใจขณะนั้นเลยว่าคนนี้สภาวะจิตขณะนี้ ควรต่อยอดเขาอย่างไรคนนี้เป็นอย่างนี้ควรปรับปรุงหรือควรจูนเขาในจุดไหนตอบไปเลยไม่ต้องเตรียมว่าถ้ามีคนถามอย่างนี้แล้วควรจะตอบยังไงไอ้คาถามเหมือนกันแต่สาภาวะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ม า, มาถึงเรื่องปฏิบัติแล้ว เ, เนี่ยเรื่องศีลหมดไปแล้วเนาะพอเข้าใจใช่ไหมศีลพอรักษาศีลแล้วเนี่ยจะต้อง รู้และเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่มัวแต่มุ่งหน้ารักษาศีลอย่างเดียวแล้วเลยลืมลืมที่จะเจริญสติลืมที่จะเจริญสมาธิลืมที่จะเจริญปัญญาต่อไปศีลรักษาเพื่อเป็นพื้นฐานเข้าไปสู่สมาธิได้ง่ายขึ้นเจริญจิตได้ง่ายขึ้นศึกษาเรื่องจิตได้ง่ายขึ้นเพราะว่าไม่ได มีข้อเสียทางวาจามันมีข้อเสียทางกายแล้วเนี่ยมันไม่มีโทษจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่เดือดร้อนเพราะไม่เดือดร้อนไม่ฟุ้งซ่านแล้วมันจะมาศึกษาเรื่องจิตได้ง่ายขึ้นมีสมาธิได้ง่ายขึ้นเรียกว่าศีลเจ้าบริสุทธิ์ศีลเจ้าบริสุทธิ์เนี่ยจะบริสุทธิ์ได้สีแง่ศีลเนี่ยนะอย่างแรกเรียกว่า ปาติโมกปาติโมกกับสังวรศีลเคยได้ยินไหมศีลที่รักษาเป็นเป็นบทหลักปาติโมกไปว่าหัวข้อหลักหรือบทหลักเช่นถ้าเป็นพระก็ต้องดูศีลของพระ227ข้อและนอกปาติโมกด้วยคือรักษาเป็นข้อข้อเป็นสิกขาบทถ้าเป็นโยมนี่ก็ศีลห้าอย่างนี้เป็นต้นปาติโมก ศีปลปฏิโมของโยมก็คือศีลหข้อศีปลปฏิโมของพระคือ227ข้อศีปลปฏิโมกของภิษุตีคือ311ข้อศีปลปฏิโมของเนนก็คือ10ข้ออย่างนี้เป็นต้นใครไปบวชเนคขมะก็ศีล8ปดสำรวมระวังในศีลหลักของตนนะเน่งเรียกว่าสำรวมในปาฏิโมปาฏิโมขสังวรศีล จะรักษาศีลในลักษณะนี้ให้บริสุทธิ์ได้เนี่ยต้องอาศัยกําลังคือศรัทธาต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นจึงจะรักษาศีลในลักษณะนี้ให้บริสุทธิ์ได้มีวิธีทําให้ศีลบริสุทธิ์อีกวิธีหนึ่งก็ mm hmm. เรียกว่าอินซียสังวรศีลเคยได้ยินไหมอินรียอินทรียแปลว่าแปลว่าความเป็นใหญ่นะไม่ใช่นกไม่ใช่ปลาด้วย อินทรียสังวรศีลคือความเป็นใหญ่ตาเป็นใหญ่ในการรับรู้รูปหูเป็นใหญ่ในการรับรู้เสียงจ ม, มูกเป็นใหญ่ในการรับรู้กลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการรับรู้รสอะไรอีกกายเป็นใหญ่ในการรับรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวมีสติในการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกาย อย่างนี้เรียกว่ามีอินทรียสังวรศีลรับรู้แล้วไม่ปล่อยให้เกิดกิเลสรับรู้แล้วยินดีรู้ทันรับรู้แล้วยินร้ายรู้ทันรับรู้แล้วเกิดราคะรู้ทันรับรู้แล้วเกิดโทสะรู้ทันรับรู้แล้วเพลินใจลอยหลงรู้ทันเรียกว่าเกิดกิเลสอะไรกับการรับรู้ทางอินทรีย รู้ทันยังงี้ว่าอินรีสังวรศีลศีลในลักษณะนี้จะสมบูรณ์ได้เมื่อมีสติใช่ไหมใช้กำลังนะใช้กำลังในการรักษาศีลกำลังตัวแรกเนะี่ยตัวแรกก็คือศรัทธาทำให้รักษาศีลในแง่ของปาติโมกสังวรได้สมบูรณ์อาศัยส ต, ยสตยิสติก็เป็นกำลังตัวหนึ่งนะ สติถ้ามีแล้วจะทําให้ศีลสมบูรณ์ในแง่ของอินสียสังวรศีลน่นมีอะไรกันอาชีวะปริสุทธอิอาชีวปริสุทธิเนี่ก็เป็นศีล น, นะการเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพให้ชอบไม่ไปลักขโ ม, มยไม่ไปเบียดเบียนช่อโกงพวกนี้นะไม่ไปเบียดบังใครไม่ไปคอร์รัปชันใคร ถ้าเป็นพระ ก, ก็คือไม่ไปหลอกโยมอันนี้ต้องใช้วิริยะกำลังคือวิริยะเลี้ยงชีพชอบจึงจะสมบูรณ์ได้อาชีวะจิตเป็นปริสุทธิได้อาชีวะปริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ข้อสุดท้ายปัจจยะสันนิสิตาสีลคือ บริโภคปัจจัยบริโภคปัจจัยปัจจัยอะไรไม่ใช่ตังนะปัจจัยคือปัจจัยสี่กินอยู่เป็นสรุปง่ายๆนะปัจจัยสี่มีอะไรบ้างอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคใช้ปัใจจัยในการดำรงชีพนี้ด้วยความรู้เท่าทันด้วยความรู้เท่าทันคือใช้รู้คุณค่าของมัน ไม่ได้ใช้เพื่อความฟุ้งเฟอ้อเพื่ออวดโก้อวดรวยกินกินเพื่ออะไรท่านก็เวลาให้กินนะท่านก็ให้พระเนี่ยศึกษานะว่าการกินเนี่ยกินเพื่อให้ยังกายนี้ให้เป็นไปกินเพื่อดับเวทนาเก่าคือความหิวไม่สร้างเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเวทนาใหม่คืออะไรอึดอัด อึดอัดอึดอัดทางกายแล้วบางทีก็อึดอัดทางใจแน่นแน่นอันี้แน่แ น, น, นท้องเวลานุ่งห่มผ้าก็เพียงเพื่อปกปิดไม่ให้เกิดความละอายปกป้องไม่ให้ยุงแดดยุงเหลือบลิ้นไรคือมแมลงต่างๆแล้วก็แดดลมป้องกันแดดลมที่อยู่อาศัยก็ป้องกัน เหลือบยุงแล้วก็ป้องกันสภาวะอากาศยารักษาโรคชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นโรคแล้วค่อยบริโภคเป็นโรคแล้วจึงบริโภคยาไม่ใช่กินยาเป็นอาหารคือแต่กินอาหารเป็นยาได้แต่ไม่ใช่กินยาเป็นอาหารต้องดูบริโภคอย่างรู้เท่าทันนะถ้าบริโภคอย่างรู้เท่าทันแล้วเนี่ยเราจะ เหลือกินเหลือใช้ที่เราบริโภคแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยพอกินเงินเดือนชักหน้าไม่ถึงหลังต้นเดือนไม่พอปลายเดือนยอะไรเงี้ยนะเพราะเราบริโภคอย่างไม่รู้เท่าทันเกินตัวบ้างเพื่อจะอวดตัวบ้างหรือว่ามากเกินพอดีไปบ้างเสื้อผ้านในตู้ถ้าสองปีแล้วยังไม่ได้ใช้ก็แสดงว่า ไม่จําเป็นแล้วตัวนั้นเกินพอดีชามในตู้นี่สองปีแล้วยังไม่ได้ใช้เลยน่าจะไม่ต้องซื้ออีกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกินพอดีแสดงว่าเราบริโภคอย่างไม่ได้พิจารณาในข้อนี้ท่านจึงให้เวลาคารวาสอยู่คลองเรือนแล้วเนี่ยท่านจึงให้หาเวลาว่างไปถือศีลอุโบสถบ้าง ศีนุโบสถคือศีล8ปดศีล8ปดข้อเนี่ยจะมีข้อที่พิเศษขึ้นมาจากห้าข้อคือในข้อสามเนี่ยข้อสามเนี่ยมีมีสา ม, มีได้มีมีภรรยาได้แต่ของศีนุโบสถเนี่ยคือเว้นจากการเขาเรียกอะไรคำเพราะๆหน่อยเนี่ยเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์งงไหม อภัพ ม, มจัจจริยาเวรมณีเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์คือเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์นึกเพิ่งนึกได้พยายามหาคําที่แบบเพราะแล้วก็ได้ความหมายผิดพรหมจรรย์คือไม่มีเพศสัมพันธ์แม้กับตัวเองแม้กับตัวเองกับคนอื่นก็ผิดแล้วนะกับตัวเองก็ไม่ได้ ข้อ6กก็คือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการคือเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่จะบริโภคอาหารเวลาที่จะบริโภคอาหารพระพุทธเจ้าบอกว่าสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเช้าถึงเที่ยงบริโภคได้จะแบ่งเป็นสองมือม้อก็ได้มื้อเดียวก็ได้นะแต่ถ้าหลังเที่ยงแล้วเนี่ยสำหรับผู้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วไม่จำเป็นสหรับผู้ครองเรือน เราผู้ครองเรือนให้บริโภคได้อีกมือหนึ่งเรียกว่าพวกบริโภคกามสามมือนี่บริโภคกามนะพวกสีมือหมือนี่มันรู้บริโภคอะไรของมันมันมันเกินเกินจากตำารา้วยข้อเข้อ7นี่ก็เว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีผัดหน้าทาแป้งตกแต่งตัวเองให้สวยงาม คือสวยได้สวยได้แต่ไม่ใช่ให้ต้องตกแต่งแต่งหน้าทาปากมีใจรื่นเริงได้มีจิตใจรื่นเริงได้แต่ไม่ต้องไปร้องรำทำเพลงเว้นจากการร้องรำทำเพลงดูหนังดูละครพวกนี้จะทำให้จิตเป็นอากุศล ติดในเนื้อหาในขณะที่ดูเนี่ยจิตก็ลอยไปหาใครมองทันบ้างว่าจิตมันไหลไปหาถูกดูดถ้าดูหนังในทีวีก็ถูกจอนั้นดูดใครดูใน iPad ก็ดูดก็ไปใน iPad ในแท็บเล็ตก็ถูกดูดในแท็บเล็ตถูกจอจะขนาดไหนก็มีวัตภาพคล้ายๆกันคือดูดดูดจิตเราจริงๆไม่ใช่หรอก จิตเราเนะี่ยไหลไปไหลไปหาสิ่งที่คิดว่าให้ความสุขได้คิดว่าให้ความสุขได้แล้วสุขก็ไม่สุขจริงพอจบแล้วก็ต้องเลื่อนไปดูอีกดูเรื่องอื่นต่อดูเรื่องอื่นต่อมีความสุขกับสิ่งนั้นแป๊บหนึง่งแล้วก็ดับไปไม่เห็นจิตก็ไฟที่จะหาความสุขต่อจิตก็มีตันหาที่จะหาความสุขในการเสพนั้นต่อ สุขแล้วไม่ทันเห็นด้วยสุขดับไปก็ไม่เห็นรู้แต่ว่าฉันจะหาต่อหาต่อหาต่อเรื่องนี้จบไปแล้วโฮ้ไม่น่าจบเลยจบแบบต้องติดตามตอนต่อไปอะไรเงี้ยนะไม่อยากให้จบนี่เรียกว่าสิ่งนี้สิ่งที่ดูอยู่เนี่ยไม่จาเป็นพวกละครโขนหนังร้องรำทำเพลงการตกแต่งร่างกายนละักษณะที่ว่าแต่งสีประดับดอกไม้อะไรนะ ไม่จำเป็นถ้าหัดมาอยู่อยู่วัดหรือว่าถือศีลแปดศีล8ดคืออยู่เท่าที่จำเป็นการเสพเมถุนคือมีเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่จำเป็นก็มีชีวิตอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้ไม่กินข้าวหลังเที่ยงก็มีชีวิตอยู่ได้ไม่ดูหนังดูโขนดูละครก็มีชีวิตอยู่ได้ ไม่ผัดหน้าทาแป้งเว้นแต่เป็นโรคเป็นโรคผิวหนังอะไรก็แต้มยาเนี่ยได้อยู่หรือว่าในที่อับที่ชื้นเป็นเชื้อรา ท, ทายาได้ยานั่นอาจจะเป็นผงเป็นแป้งอะไรได้แต่เพื่อรักษาโรคแต่ถ้าเพื่อแปเพื่อให้ดูขาวขึ้นดูสวยขึ้นไอ้ตรงควรจะแดงก็แต่งให้มันแดงขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มีสักปากด้วยใช่ไห สักปากให้แดงๆเคยเห็นไหมเคยมันคงแปลกๆเลนนะสักคิ้วเห็นแล้วก็ถ้าบวชชีก็ลำบากมันหัวก็เป็นแบบหนึ่งแต่คิ้วยังดกอยู่มันแปลกอยู่อย่างนั้นต้องตัดสินใจว่าจะไม่บวชพวกนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่เกินจำเป็นใช้ปัจจัยสี่เท่าที่มันเท่าที่คุณค่าของมันจะมีคือบริโภคเท่าเท่าที่จำเป็นถ้าเราไม่รู้ว่ามันจำเป็นแค่ไหนพระองค์ก็แนะนำว่าลองหาเวลาไปถือศีลแปดดูไม่ต้องถือตลอดชีพเท่าที่มันเวลามีวันพระวันพระใหญ่วันพระเล็กบางคนถือ วันพระด้วยวันโกนด้วยบางคนถือวันโกนวันพระ้านหลังวันพระอีกวันหนึ่งเป็นสามวันแล้วแต่สะดวกเมื่อก่อนเนี่ยก็มีเวลามากเดี๋ยวนี้ก็ทำงานกันเนาะแม้แต่วันพระก็ลาบากวันเสาร์ก็ลาบากวันอาทิตย์ก็ลาบากก็เห็นใจก็หาเวลาเอาแต่บางคนทำได้นะทำงานไปเนี่ยถือศีลแปดทำได้วันพระทุกวัน ถือศีลแปดโดยที่คนอื่นไม่เดือดร้อนด้วยอาจจะขอเวลาพักก่อนเที่ยงเร็วหน่อยอะไรเงี้ยหรือแม้แต่เที่ยงแล้วไปกินอาหารก็ถือว่ามือนั้นเนี่ยเป็นมือสุดท้ายที่เป็นอาหารเป็นํำข้าวนะเป็นมือสุดท้ายถือได้ทำได้มีคนทำได้ไม่ต้องอยู่วัดถือศีลแปแบบไม่ต้องอยู่วัดทำได้ เป็นการฝึกดูว่าชีวิตเรามีความจำเป็นกับปัจจัยสีนี้แค่ไหนจริงๆแล้วเราจะได้ใช้ปัจจัยนั้นอย่างรู้คุณค่าคนจะมีศีลข้อปัจจยะสันนิสิตศีลเนี่ยได้สมบูรณ์ต้องมีปัญญามีกำลังตัวหลักคือปัญญาแยกออกไหมศีล <laughs> ที่จะสมบูรณ์ดูบริสุทธิ์มองได้สีสีแง่สี่มุมในแง่ของการรักษาเป็นข้อ้อเรียกว่าปาติโมกสังวรศีลจะรักษาเป็นข้อ้อได้บริสุทธิ์จะต้องอาศัยกําลังคือศรัทธาอย่างที่สองอะไรอะไรนะอินซีสังวรนะอินรีสังวรศีลจะ มีความบริสุทธิ์ในด้านอินทรีย์สังวรศีลได้ต้องมีสติเป็นกำลังเหมือนกันภละห้าอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจะทำให้เลี้ยงชีพมีอาชีวะบริสุทธิ์ก็ต้องมีวิริยะเป็นกำลังทำให้การเลี้ยงชีพนั้นบริสุทธิ์ได้จะทำให้บริโภคปัจจัยอย่างบริสุทธิ์ก็ต้องใช้ปัญญา พละห้าอย่างเนี่ยมีตัวหนึ่งไม่ได้เอามาใช้ในเรื่องของศีลคือสมาธิสมาธิไม่ต้องใช้ในเรื่องของการรักษาศีลได้สมาธิแล้วก็ยังต้องอาศัยศีลคุมสมาธิอีกทีเพราะฉะนั้นศีลยังเป็นเบื้องต้นและต้องรักษาต่อไปศีลเนี่ยจะรักษาได้บริสุทธ สำหรับคนปุถุชนเนี่ยยังต้องคอยฝึกและคอยใส่ใจและต้องรักษาเอาไว้ศีลจะมีได้ด้วยการระวังรักษาตามแต่จะเอาบริสุทธิ์ในแง่ไหนบริสุทธิ์ในแง่ของเป็นข้อข้อก็ต้องอาศัยศรัทธาในการที่รักษาเป็นข้อข้อจะบริสุทธิ์ในแง่ของการระวังรักษาอินทรีย์ต้องเจริญสติบ่อยๆ รู้ทันว่าเวลามันกระทบทั้งนี้แล้วเกิดกิเลสอะไรตาเห็นแล้วเกิดกิเลสอะไรสัมผัสกายแล้วเกิดกิเลสอะไรดมกลิ่นแล้วเกิดกิเลสอะไรรู้ทันศีลก็บริสุทธิ์จากการมีสติเลี้ยงชีพ ช, ชอบเนี่นี้ต้องใช้ความเพียรมากมันจะมีอะไรมายั่วให้ผิดอยู่เรื่อยๆต้องใช้ความเพียรมากต้องใช้วิริยะอย่างมาก การใช้ชีวิตในการใช้ปัจจัยทั้งสี่อย่างก็ต้องใช้ปัญญาในการรู้เท่าทันที่ว่าเราจะใช้เสื้อผ้านี้เพื่ออะไรเราจะกินเพื่ออะไรจะใช้ยารักษาโรคเพื่ออะไรจะอยู่อาศัยเพื่ออะไรแล้วจะตัดสินใจได้ว่าควรจะแต่งกายแบบไหนควรจะกินอะไรให้เหมาะกับร่างกายนี้ไม่จะกินเพื่อเท่ไม่จะกินเพื่ออวดรวย ไม่ใช่แต่งเพื่อเท่หรืออวดรวยแต่งบางทีเดี๋ยวนี้อะไรอะนุ่งเพื่อให้ดังแต่งเพื่อให้ดังเงี้ยนะบางทีแต่งเพื่อให้ใหใคล้ายๆกับว่าเพื่อให้หลุดง่ายเพื่อให้ดังเดินๆสะดุดปุ๊บหลุดปุ๊บเป็นคลิปออกมาดังทั่วโลกอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ เสื้อผ้าควรจะทำหน้าที่เสื้อผ้าเนี่ยควรจะทำหน้าที่ปกปิดร่างกายอันหน่าละอายปกป้องจากแสงแดดลมฟ้าอากาศปกป้องยุงปกป้องเหลือบปกป้องแมลงที่มารบกวนความสำคัญของเสื้อผ้ามันออกมาแนวนี้ใช้ความสำคัญของเสื้อผ้าไปยั่วกิเลสก็ผิด นั้นปัญญาจึงสำคัญในการใช้ปัจจัยทั้งสี่อย่างบรรยายเรื่องศีลพอไหมหมดเวลาแล้ว